พูดว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรสณี FM 106 สถานีวิทยุที่ท่านจะฟังสาระต่างๆ ค่ะความเพลินใดความเพลินนั้นคือเอ่อทุกข์พระพุทธเจ้าว่างั้นเพลินในธรรมะ นั่นใช้มันห้าวหาญมันกล้าหาญในการที่จะลงมือทําทันทีและนั่นคือความร่าเริงเพราะ อย่างที่ดิฉันได้พบจากท่านไพบูลย์ทุกครั้งที่ท่าน ล่วงเข้าไป 3:00 น. 4:00 น. เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเอ่ออันนี้มันได้เดียวคงให้ทั้งค่ะอันนี้มันเป็นอย่างงี้ แต่แล้วก็ไม 10 ไม่ 20 แต่ 30 40, 40 50 นั่นแหละยิ่งมีความลึกซึ้งไม่ได้เบื่อเอ่อไม่ได้ท้อแท้แต่ยิ่ง อ่าไปปฏิบัติธรรมก็จะงงๆว่าท่านบุนพูดถึงอะไรทําไมค่ะเหมือนฟังละซาบ มันเล่าให้ฟังวันอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านคะทีนี้เมื่อสักครู่ตอนที่ดิฉันถามว่าอ่าสามารถจะใช้คําว่าเพลินใน คือเหมือนกับรู้สึกว่าแม้ชอบในสิ่งที่เราราคะเอ่อมันก็เป็นสิ่งที่ที่ สมมุติเราชอบเอ่อชอบธรรมะอไอ้ความชอบเนี่ยพอจะดีอยู่บ้างนะแต่อย่างไรค่ะถ้า อ่าในกรณีที่เพลินในสิ่งที่ดีท่านยกตัวอย่างเช่นเพลินในธรรมะนะคะเพลินในสมาธิอ่ะเป็นต้นอ่าหรือว่าบางคน เอ่อเราเราเราเพลินในธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราชอบมากเลยถ้าสมมุติ หมายความว่าพูดอย่างงี้ได้ไงประท้วงนะหรือว่าถึงกับเบียดเบียนกันด้วยการใช้ฝ่ามือบ้างท่อนไม้บ้างอาวุธบ้างซึ่งไม่ดีแน่อืมเรามีปัญหามันผิดจากดีของเราเนี่ย เอ่อสุดตรงข้างนึงบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ทิ้งไม่สนใจว่ามันดีมันนั่นเลยไปสุดตรงอีกข้างนึงเด้งไปข้างเลยว่าอื้อต้องอันนี้เท่านั้นเพลินลุ่มหลงไปมันมันเนี่ยมันเลยหาจุดตรงกลางไม่ได้ดิเอ่อซึ่งคําสองปุริชาเป็นใบเพื่อทางสายกลางนะคือไม่ได้สุดตรง 2 ข้างไม่เอาทิ้งหมดเลยก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ นะเอาเรื่องตรงกลาง 4 นั่นเองเอ่อคือคําสอนที่เป็นไป สิ่งที่เราต้องเอาคือกุศลธรรมนะคือไม่ใช่คุณเก็บอกุศลธรรมไว้ด้วยนะเพราะ อีกพวกนึงก็คิดว่างั้นฉันต้องสร้างบุญๆมันก็ไปเมาบุญค่ะคือตรงกลางตรงใช่ๆมีวิธีมั้ย แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะว่าไปก็หลงง่ายเหมือนกันนะคะ มีความลุ่มหลงอันนี้ไม่ถูกนี้ไม่ถูกอ่าอันนี้ไม่ถูกละเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีอกุศลเกิดขึ้นใน นะได้เอ่อเร็วนะอันค่ะคือก็มีวิธีที่จะวัดสอบถ้าเราอ่าระงับสมมุติ ค่ะแต่ถัดไปอืมไม่เอาละต่อไปถ้าเจอแบบนี้ตั้งหลักใหม่อืมจะไม่หงุดหงิดละ แต่บางทีมันที่เราเราเผลอทําให้เราไม่ได้เอาเครื่องมือที่เราเคยมีมา <loc. S 1> นะแล้วคนที่จะใช้อาวุธได้ก็คือความเพียรของเรามันคือค่ะคือ ใช่แลอย่างนั้นเลยนะคะถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องพวกเนี้ยใช่เอ่อเอาแค่ว่าโอ้ฉันไม่ทําหรอก มีเครื่องทําเครื่องขุดกลองในใจแล้วเห็นคนอื่นทําให้ดี เพราะว่าเครื่องที่มันกระทบถ้ามันเซ่าหมองใจค่ะก็มาฟังกันนิดนึงกันละกัน 1 เพไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์เรื่องการพูดนี่รวมไป คือเพ่งเล็งเนาะผู้ที่มีความเพ่งเล็งเพ่งโทษคนอื่นอ่าเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราอ๋อค่ะนะคะอัน ไม่ว่ายากคือว่าง่ายนะคะว่ายากคือว่าง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีมิดชั่วคือมีมิตตี้เมื่อคนอื่นประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นๆใช่ซึ่งพวกนี้ได้คือการปฏิบัติธรรม ทำได้ครบทุกอย่างไม่ได้อะไรก็ท่านค่ะเอ่อถ้าไม่ครบทุกอย่างนี้เราเดินอยู่ตามมรรคได้ค่ะท่าน comme ça income พระศาสดาได้รับการเปิดเผยหรือๆหาทางออกให้กับชีวิตของท่าน แกว่างหรือในวันหยุดๆของเราด้วย